ขอความสุขความเจริญจุนีเด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอพระสูตรในสังยุตติกาอยู่ในวันนี้จะพูดเรื่องคติกาสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเทพบุตรชื่อว่าคติการกะที่จริงเทพบุตรตนนี้เป็นพรม ก็เป็นพรมระดับพระนาคามีที่อยู่ในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสท่านเหล่านั้นได้เข้ากราบทูลถึงการที่พิสูจน์เจ็ดรูปมณภาพแล้วไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสโดยกว่ากราบทูลแล้วก็สอบถามไปตามลำดับดังนี้พิสูจน์เจ็ดรูป เป็นผู้สิ้นราคะโทสะแล้วไปบังเกิดชั้นอวิหาได้สมเดวิมุตข้ามเครื่องธรรมให้ติดอยู่ในโลกไปได้เกือวิหานั้นเป็นชื่อของพรหมโลกพรหมโลกชั้นแรกท่านเรียงเป็นลำดับว่าอาวิหาตะปาสุทัศษาสุทัศสีอากานิิฐา การไปเกิดในพรหมโลกของท่านเหล่านั้นขึ้นอยู่กับความแก่กร้าของอินทรีทั้งห้าคือสธาวิรยาสติสมาธิปัญญาบนพรหมโลกชั้นนาวิหาก็คือแสดงวสตินสีท่านแก่กราก้าอย่างยื่นก็เป็นรัวทรงเสริมสนับสนุนประเองนี้ที่จริงค่อนข้างปฏิบัติตามยากหน่อย แต่ว่ามันก็เดินไปบนเส้นทางเดียวกันได้เพื่อเกิดอาการจางคลายของกิเลสคือเรอเจะเหนว่าพระอนาคามีเนี่ยเกณฑ์กำหนดด้วยการละสังโยชน์เบื้องสูงเบื้องตำ่ำนะได้ห้าข้อสามข้อแรกก็ละได้มาตั้งแต่เป็นประสดาบันกับพระสกทาคามี พระาคาถาเอกกับประโสดาบันนั้นก็มีความแตกต่างกันอยู่คือประโสดาบันท่านจำแนกไว้ถึงเจ็ดประเภทถึงสามประเภทใหญ่ๆนะปวดไปสามประเภทใหญ่ๆคือหมายความว่าบางท่านจะตายอีกชาติหนึ่งและจะบรรลุมรรคผลเรียกว่าเอกพิชีอีก่้นหนึ่งก็จะ ตายอีกตายอีกแล้วเกิดอีกไม่เกินสามชาติเรียกว่าโกหลังโกละเรียกกลุ่มหนึ่งนั้นบรารมีลดน้อยลงมาเรียกว่าสัตตุสัตตกัต ต, ตุปะมะคือจะอยู่ในระหว่างเนี้ยสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยสามสีหเจ็ดชาติใดชาติหนึ่งก็ไม่ระบุลงไปชัดเจนเพราะว่า ในแต่ละภพแต่ละชาติของบุคคลระดับนี้ท่านอยู่บนสวรรค์บนพรหมโลกนี่นานแล้วท่านก็อาจจะเพิ่มภูมบา ร, รมีขึ้นซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวของท่านเองได้แต่พระส ก, กตกคามีนั้นจะมาเกิดในโลกนี้อีกครั้งเดียวก็ดูแล้วทํานองคล้ายๆจะเกิดอีกครั้งเดียว เพียงแต่ว่าไปเกิดในสวรรค์หรือว่าในมนุษย์โลกแต่ไม่ใช่เกิดเป็นพรหมนะฮะท่านเหล่านี้จะอยู่ระดับกามาวาจรภูมเพราะถ้าเกิดเป็นพรหมนั้นจะเกิดด้วยภูมิของฌาเนเาะคนที่เป็นพระราคามีนี่ท่านมีศีลส ม, มูลสมาธิสมบูรณ ทีนี้สมาธิสมบูรณ์นี่หมายความว่าสมาสมาธิของท่านนี่สมบูรณ์ในการสมบูรณ์ก็สมาสมาธิก็สแสดงว่าสมมาวยามะสมาสติสมาสมาธิก็เกือบจะสมบูรณ์ก็ทําให้พันลาสังโยชน์เป็นหประการได้กัน ในที่นี้ท่านบอกเพียงสองข้อคือข้อที่สี่กับข้อที่ห้าข้อหนึ่งสองสามนั้นก็คือหนึ่งคือสักกายติทิความเห็นเป็นเหอกือตัวื้อตนมีตัวมีตนเป็นตัวเป็นต้นแล้วก็มีรายละเอียดจนถึงว่าตนเป็นขันห้าขันห้ามีในตนตนมีอยู่ในขันห้าขันห้ามีอยู่ในตนเป็นต้นก็เป็นรายละเอียดซึ่งบางครั้งบางคราวนี่เราทําความเข้าใจยาก ตัวการอธิบายสภาพจิตยอย่างนี้ถ้าจะถามเราว่าเราเป็นตนหรือว่าตนเป็นเราก็ในความรู้สึกของคนทั่วไปมันก็อิงอาศัยซึ่งกันและกันก็หมายความว่าจะต้องมีด้วยกันทั้งสองอย่างถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหายไปอีกอย่างหนึ่งก็ต้องหายตามไป Ri, Allah, คล้ายๆกับพวกอวิชาสังขารวิญญาณเนี่ยคือหายไปสักอย่างมันก็หายไปหมดเพราะในความเป็นประสบดบันแตนกลาสักยทิฏฐิคือความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนอย่างเที่งแท้ทาวอร์เนี่ยเมื่อวันที่ยี่สิบยี่สิบสองสิงหาคม ไปเสวนาสมาณชฉันระหว่างห้าศาสนาที่โรงแรมรู้สึกจะชื่อดมอนอะไรเนี่ยที่จังหวัดสุรา ธ, ธานีก็มีตัวแทนาศาสนาอยู่ห้าศาสนาเวลาที่ให้เนี่ยที่จริงมันค่อนข้างจะเป็นสมบทธนียะกิตาคือมันก็ส้นะ ก็มาพูดก็ประมาณสักสิบหกนาทีหึือสิบเจ็ดนาทีเป็นอย่างมากแล้วท่านเราอื่นก็จะพูดตามคือจะแถวสิบห้าสิบกตรงเนี้ยกลยๆตรงเนี้ยไม่ก็ไม่มีใครไปถึงยี่สิบนาทีก็มีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าถ้าเราอยากหลับตาฟังนะ หลับตาฟังอย่ารู้ล่วงหน้าว่าท่านเหล่านั้นเป็นพุทธเป็นคริสเป็นเป็นพุทธเป็นอิสลามเป็นคริสเป็นซิกหรือเป็นพราหมณ์เนี่ยเราจะไม่รู้เลยเพราะว่าการอธิบายธรรมานั้นจะเหมือนกันแต่ก็มีจุดที่แตกต่างกันอยู่คือแต่และฝ่ายต่างมีความรู้สึกว่าพระเจ้าของตนนั้นเป็นที่มาของสรรพสิง่ง แล้วก็รวมถึงพระเจ้าของศาสนาอื่นด้วยก็เป็นเรื่องความเชื่อนะฮะ เ, เราก็ต้องยอมรับเขาแล้วเขาเชื่อเขาอย่างนั้นเวลานี้เราจะเห็นว่าแม้แต่ศาสนาคริสต์ศาสนา islam บางแห่งบางกรก็พบเอกสารที่จังหวัดอ่างทองบอกว่า อเล่นั้นเป็นพระเจ้าของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องความคิดของเขานะคือเราจะไปตอลาะตอเทียงอะไรมันก็เสียเวลาเพราะว่าถ้าเรามองในแง่ธรรมะแหละมันมันมันเข้ากันได้แต่มาเปิดประเด็นที่เมตตาธรรมก็โดยใช้ โรมราชวาดในวันที่เก้าเนี่ยเป็นหลักแล้วก็เอาข้อเดียวคือ ข, ข้อแรกเหยืห้คิดทำพูดด้วยเมตตาต่อกันถ้าว่ามีได้อย่างนี้มันก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้แต่เนี้ยเราจะเห็นว่าแนวอย่างหนึ่งคือแนวของสักกายทิฏฐิยังมีอยู่ คือมีตัวตนที่ถาวรยั่งยืนอยู่ก็เป็นการเคารพความเห็นของกันและกันเรแวสวงจุดร่วมสุงมุดจุดต่างไอจุดต่างก็เป็นต่างไปแต่เราเอาเฉพาะที่เหมือนกันนะเพื่อสร้างสมานฉันนะ่ะสมานฉันที่ริงพูดง่ายๆว่าเรามีความพอใจเสมอกันกนในสิ่งเดียวกัน เป็นพอใจในสามัคคีด้วยกันมันก็เกิดสมานฉันนะหรือพอใจในกิจกรรมการงานต่างๆที่แบ่งกัน ร, รับผิดชอบแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็รับผิดชอบในการงานเหล่านั้นความสำเร็จในการงานก็เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นสมานฉันปานาสำคัญมันอยู่ที่ภาคของการปฏิบัติ ไม่ใช่ภาคของการเสวนาแต่ว่าเราก็ต้องเสวนากันไปเรื่อยๆก็เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งนะะคือกรมการศาสนาทุกคราวที่มีเขาเสวนาในเรื่องนี้จะนิมนต์มาไปเป็นตัวแทนของศาสนาพุทธก็หลายครั้งแล้วก็สามครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะฮะรู้สึกจะครั้งที่สาม แล้วเขาก็มาก็ได้พูดก่อนนะครับพอพูดก่อนทุกคนก็ตามฮะก็ตามกันมาก็ทำให้เราเห็นว่าเป็นอะไรงินเดียวกันแล้วก็ดีนะฮะคือพบกันแล้วก็รู้สึกว่าสนิทสนมคุ้นเคยกันแต่ ว, ว่ามันก็ควรจะคุยกันมากกว่านี้คืออย่างนีก้ก็ศาสนานี่ควรจะในฐานะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของสังคมนี่ควรจะมีบทบาทในในยามวิกฤตอย่างเนี้ย จะมีความขัดแย้งกันอยู่ภายในสังคมเนี่ยองค์กรทางศาสนานั้นจะแสดงความชัดเจนออกมาแล้วก็ชี้แจงมาเพราประเด็นนั่นแหละเป็นบทตั้งแล้วก็วิพากษ์ดูว่าความเหมาะความควรความถูกต้องเนี่ยคืออะไรอย่างไรและควรปฏิบัติอย่างไรในฐานะที่เป็นศาสนิกที่ดีคือไม่ใช่ว่ า, เ, าเก็บมือเก็บตัวโดยไม่ยอมพูดอะไรเลยนี่มันก็เกินไปนะฮะ มันไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ว่าเป็นเรื่องของธรรมะ เ, เรื่องสังคมคือมายังมองว่าแต่ความคิดในประเทศไทยที่พยายามสร้างกระแสขึ้นมาไม่ให้พระเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยมันเป็นอุปท า, านที่ยึดติดมาของนักเรียนนอกยุคจมพลปพิบูลสงครามพระโงคนี้ไปอยู่ทางยุโรป แล้วก็ไปรู้เรื่องสงครามครูเสษถึงเป็นการต่อสู้กันทางศาสนาแล้วก็รู้ถึงอำนาจอิทธิพลของศาสนาคริสต์ที่มีต่อฝ่ายบริหารปกครองบ้านเมืองจนขนาดว่ากษัตริย์เวลาเสวย ร, ราชเนี่ยจะต้องให้ปบจากวาติการเป็นผู้สวมมงกุฎให้เป็นต้นเผ่นพวกนี้ก็นึกว่าพระเนี่ยเป็นอยางงไอ้จริงพเราไม่ใช่ เป็นการชี้นำความถูกต้องให้ความขัดแย้งเหล่านี้มันเป็นความขัดแย้งด้วยอำนาจของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจมันเป็นธรรมะเรายะตีความไม่เป็นอะไรก็ได้่สมมติว่าเกิดสภาพน้ำท่วมหรือข้าวยากหมากแพงเนี่ยคุณจะตีความให้เป็นปัญหาเศษรษฐกิจก็ได้สังคมก็ได้การเมืองก็ได้ความมั่นคงก็ได้ก็ตีความยังไงอะ ดังนั้นคือปัญหามาจากธรรมชาติอย่างหนึ่งปัญหามาจากการขาดธรรมะคือความรอบรู้การติดตามสถานการณ์อย่างหนึ่งการเจริญพร้อมอย่างหนึ่งแล้วก็ผลลัพธ์ท้ายมันก็คือกระซึ้เรื่องวิจากกิเลสนั่นแหละดังนั้นถ้าเราพยายามทาความเข้าใจในประเด็นของธรรมะกับการเมืองมันแยกไม่ออก ไม่มีใครแยกออกได้เลยศีลห้านั้นเราคิดได้เป็นการเมืองวันไหนเป็นทัทีเลยแต่ที่จริงเป็นบทบัญญัติทางศาสนาคุณจะมองในแง่สังคมก็ได้ในแง่เศรษฐกิจก็ได้ในแง่การเมืองก็ได้ในแง่ความมั่นคงก็ได้ในแง่ศีลธรรมก็ได้ในแง่กฎหมายก็ได้ในแง่รัฐศาสตร์ก็ได้ก็แล้วแต่จะมองเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในเนื้อหาของชีวิตของทรัพย์สินของครอบครัวของการสื่อสารกัน ของการตกเป็นธาตุของสิ่งเสษติดให้โทษมันก็อยู่ในเวทวงตรงนี้แหละดังนั้นลักษณะเหล่านี้ยถ้าหากว่าไปลดไอตัวสักยะทิฏฐิลงคือความเป็นตัวเป็นตนนะฮะเป็นตัวเป็นตนลดอัตราตัวตนลงให้เล็กลงหน่อยอย่ามันเครื่องมากเกินไปนี่อัตรามันเครื่องเกินและเกินอ่ะคล้ายๆกับตัวเองเป็นศูนย์องความถูกต้องไปหมด พระโสดาบันนี่ท่านดับได้แล้วก็ท่านดับวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยในพรระัฒนาไตรแล้วก็ในไตรสิกขาดแล้วก็ในอนดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปัจจจการแล้วก็ละการถือมั่นด้วยศีลวัดด้วยข้อปฏิบัติที่เชื่อในความขลังความศักดิ์สิทธิ์ความวามีอำ น, นาจอิทธิพลต่างๆทีนี้พอมาถึงพระอนาคามีท่านก็ละเพิ่มขึ้นนะ ตรงนี้ที่จริงท่านเรียกว่าราคะโทสะคือกิเลสสายราคะสายโทสะนั่นแหละแต่ว่าในสัยญต์จริงๆเนี่ยตัวราคะท่านเรียกว่ากามราคะคือจิตที่กำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ใคร่เราจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างพระนาคามีกับพระโสดาบันสกิรคามีเนี่ยคือสองท่านแรกเนี่ย ไม่ใช่คือคือท่านแรกเนี่ยแต่งงานได้มีครอบมีครัวได้มีลูกมีเต้าได้แต่ว่าประเภทที่สองคือพระสกัดตะขามียังไม่เคยพบว่าท่านแต่งงานเพราะว่าราคาโทสะโมหะท่านจางลงไปมากแล้วก็ถเทียกเคียงคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สดรูนะเราลองนึกดูว่า ชายหนุ่มคนหนึ่งแต่ ง, งานเมื่ออายุยี่สิบอายุสิบหกและอยู่ท่ามกลางสาวสันกำนันในล้วนแต่คัดสรรกันมาอย่างดีเพื่อลงไหลเพลิดเพลิน อ, อยู่ในราชสมบัติสิบสามปีแต่ว่ามีลูกแค่องเดียวเองนั้นแสดงว่าราคาลดลงไปเยอะมากๆ เวลาขนาดนั้นอยู่ท่ามกลางสิ่งอย่างนั้นคนอยู่ไวขนาดนั้นเนี่ยถ้าหากว่ากิเลสยังแรงเนี่ยคงจะมีปราจูรถปราจธิดาเยอะอันนี้มันก็กลายเป็นเครื่องบัตทีนี้พอมาถึงพระนาคามีนี่ท่านดับตรงเนี้ยดับการาคะกับดับปฏิฆะคือท่านไม่เรียกโทสะในสัญญโญพระโทสะมันแรงแต่เป็นสายนะฮะเป็นสายสกุลของราคะกับของโทสะ แต่ท่านเรียกว่าปฏิฆะคือความหมงุดหงิดความรำคาญความไม่พอใจทันละได้เพราะนั้นก็บังเกิดชั้นอวิหาแล้วก็ได้สำเร็จวิมุตข้ามเครื่องที่ทำให้ติดอยู่ในโลกไปได้คือท่านบำเพ็ญเพียรในาศาสนาพระพุธเจ้าองค์กรแล้วก็ต่างคนต่างก็ เราเลิกกันได้นะฮะว่าเคยเป็นเพื่อนกันมาในชาติเป็นมนุษย์แล้วก็มากราบทูลเล่าให้พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าภิกษุทั้งเจ็ดรูปเนี่ยที่บังเกิดในพรหมโลกชั้นอวิหาเวลานี้บรรลุมรรคผลเป็นพระหานไปแล้วข้ามเครื่องที่ทาให้ติดอยู่ในโลกไปได้ หมายความว่ากิเลส ท, ที่เป็นเครื่องร้อยรัดให้คนผูกพันอยู่ในโลกเนี่ยที่มีรากมาจากวิชานี่ท่านตัดทำลายได้แล้วทีนี้ท่านก็เล่าท้งอีกชุดหนึ่งว่าพวกภิกษุที่ละร่างมนุษย์และเข้าถึงทิพยะทิพยคะแล้วไปสำเร็จวิมุตข้ามพ้นมรรตยูอันเป็นที่ติดข้อง ที่แสนจะข้ามได้ยากคือใครบ้างและท่านก็ น, นับนะฮะเกี่มาความเจ็ดรูปนั้นแนหะท่านก็ น, นับให้ฟังว่าคือพระอุปกะพระพลรักันทะพระปุกุสาติพระพัน์พัทยาพระขันทาเท ว, พ ะ, พว ะ, ะพระภาวรรักรัติแล้วระษาสังคียะก็ชื่อที่คุณนี่องค์เดียวนะฮะชื่อที่คุณคือพระ พระพระปุกุสาติพระปุกุสาตินั้นเป็นอดีตกษัตริย์เมืองมิถิลาที่ต่อมานักาศาสนาเยรมันเอามาเรียบเรียงเรื่องการมนิทวสิทธิ์นตัวการมนิทก็คือพระเจ้าปุกุสาติบาลูนาคามีแล้วก็ก็ตายไปก่อนก็บังเกิดในพรหมโลก ทีนี้พระพุทธเจ้ากระรับสั่งรับสั่งถามว่าท่านฉลาดนักพูดถึงพิกสุผู้ละบวงมานเหล่านั้นได้ถูกต้องพิสษพพวกนั้นได้รู้ธรรมของใครเล่าจึงตัดเครื่องผูกไว้ในภพได้ท่านกติกากติกาพรมนะที่ยิงกติการบพรม ก็ล่าวทูลว่านอกจากพระผู้มีพระภาคแล้วหามีใครไหมนอกจากาศาสนาของพระองค์แล้วหามีที่ไหนไหมซึ่งเป็นที่ภิกษุเหล่านั้นได้รู้ธรรมแล้วตัดเครื่องผูกไว้ในพบได้นี่ก็แสดงว่าท่านยืนยันว่าเป็นภิกษุในาศาสนาของพระพุทธเจา้าซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องแปลกอีกละ เพราะว่าด้วยหลักการเนี่ยพระอนาคามีทั้งห้าชั้นเนี่ยคือจะไปบรรลุมรรคผลเป็นพระหานิสุตตาวะทั้งหมดแต่ว่ามันมีเกณฑ์นอย่างหนึ่งว่าต้องใช้ความเพียรพยายามมากหรือใช้ความเพียรพยายามไม่มากบางทีก็เกณฑ์กำหนดที่อายุ มันก็ทำให้เราได้หลักอย่างหนึ่งว่า น, นี้คงจะเป็นเกณฑ์ที่กำหนดที่ไม่ต้องช้าความเพียรมากหมายความว่าคล้ายๆกาแีที่กรัดหน่องโดนแตะอะไรนิดเดียวก็นองก็ออกละวผลพระอาฆาตพระนาคามีระดับนี้ก็แสดงว่าท่านก็เป็นภิกษุในยุคพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้า สมัยพุทธเจ้าก็เรียกว่ายังไงยังไงก็ไม่เกินสีสิาปีอ่ะพอตอนนั้นมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเล่าให้ทรงทราบก็แสดงว่าบารรลุผลเป็นพรานเร็วพอกรนึกดูว่าเอาเวลาพระมโรคมาเที่ยวกับมนุษย์มันนิดเดียวนะพระมโรค ม, มันเล่นเป็นกับกับนะอาวิหารนี่เท่าไหร่รู้สึกจะหกกับไปไมั้ นานมากๆแล้วก็ตตังก็บอกว่าซึ่งเป็นที่ภิกษุเหล่านั้นรู้ธรรมแล้วตัดเครื่องผูกไว้ในภพได้นามและรูปดับไม่เหลือในธรรมอันใดภิกษุพวกนั้นได้รู้ธรรมอันนั้นของพระองค์จึงตัดเครื่องผูกไว้ในภพได้นามแลรูปดับเนี่ย คือหมายความว่าขันห้านี่มันดับเระเจนวดกายนี่ก็คือเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็เป็นนามแล้วก็พวกนี้ก็ดับหมดดับโดยไม่มีอะไรไปต่อเชื้อคือให้บังเกิดอีกมันก็เป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานหรือแม้แต่จะเราจะพูดเรื่องอื่นนะฮะมันคงอยู่ในเวทดวงก็นา ม, มารูปนั่นแหละเพราะนามรูปมันครอบจักรวาลหมดแล้ว หมายความมาสิ่งอะไรก็ตามที่เราสัมผัสได้โวยตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งนั้นเรียกว่ารูปแลือสิ่งใดที่เรารู้ได้ใจสิ่งนั้นก็เรียกว่านามเพราะในขันห้ารูปมันก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขานรานิญาณก็เป็นนามเพราะนั้นเวลาท่านแยกอะไรเป็นวิปัสนาภูมิเป็นขันห้าญาตนาสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สบสองอริยสัจสี่ปฏิจจสมบัติอะไรต่ออะไรต่า คือที่จริงก็อยู่ในตัวคน อ, อยู่ในตัวคนเพียงแต่ว่าใช้โวหารในการสื่อสารในยะที่แตกต่างกันเพราะว่าคนฟังในขณะนั้นมีวุติภาวะไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดก็คือเป็นเรื่องเดียวกันคล้ายๆกับอริยสัจสี่กับปฏิจจสมบาทแต่ที่จริงก็เรื่องเดียวกันนะ เราเห็นว่าปฏิจจสมบาทมันก็มีทั้งสายเกิดสายดับสายเกิดมันก็เป็นสมุทัยกับทุกข์กษัตริย์ธรรมทายสัตรว์กับทุกข์กษัตริย์สายดับก็เป็นนิโรธสัตว์กับมรรคสัตย์เพียงแต่ว่าอธิบายขยายเป็ น, เ ป, นเป็นวงจรเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ต่อกันไปแล้วก็กลายเป็นเชื่อมโยงพบชาติหมุนวนกลายเป็นวัฏฏะตัวหลักจริงๆก็คือกิเลสกรรมวิบาก จะเรกว่ากิเลสวัฏกัมวัฏวิปปะกัฏนะฮะสามอย s <S yeah. า่างครบแล้วก็หมุนก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ยังได้อย่างหนึ่งดับอย่างอื่นก็ดับนะฮะสามอย่างเนี้ยดับสักอย่างอย่างอื่นก็ดับก็พระเจ้ารับสั่งว่าท่านกล่าวถ้อยคําลึกซึ้งซึ่งยากที่ใครๆจะรู้จะเข้าใจตัวท่านรู้ธรรมของใครมาจึงกล่าวถ้อยคําเช่นนี้ได้ นี่ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งคือคืออย่าลืมว่าพระพุทธเจา้าเมื่อมีพระประสงค์จะรู้อะไรเนี่ย ก, ก็รู้คือต้องการจะรู้กำหนดพระไทยไว้จะรู้ก็รู้แต่ว่าเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ยืนยันยืนยันถึงอะไรยืนยันถึงความไม่อยู่ของสังสารวัฏความไม่อยู่ของบุญบาปความไม่อยู่ของอนรกสวรรค์อะไรต่างต่างเนี่ย แล้วท่านก็เล่าย้อนหลังบอกว่าแต่ปางก่อนเนี่ยข้าพระพุทธเจ้าเป็นช่างหม้อตั้งโรงทำหม้อหาเลี้ยงมารดาบิดาอยู่ที่เมืองเวพระลิงคะแต่ในโบราณนะฮนะก่อนพุทธกาลไปรเยอะพระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกของพระกัสสปะพุทธเจ้าก็หมายความมาย้อนหลังไปหนึ่งพุทธันดร เป็นผู้เว้นเมธุนธรรมหมายความเป็นคาวาสนี่แหละเป็นคาวาตแต่รักษาสีนุโบสถไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วประพฤติตนเป็นพรหมจารีอย่างที่บอกว่าสมัยประกาศสปะสมาสพุทธเจ้าได้มีผูก ภิกษุณีในปฏิบัติเนี่ยภิกษุณีสมัยพุทธกาลหรือแม้แต่นางวิสาขาเองพระประชาบดีแกมาเทรีบนวันนาเทรีพระประตาจาราพระธรรมชินนาเลยอะไรตลอดถึงนางวิสาขานี่เจ็ดท่านด้วยกันเป็นพระเจดียดาของพระเจ้ากิกิบ่อประพฤติพรหมจารีเป็นการแสดงให้เห็นหนึ่งหนึ่งว่าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ย ธรรมะปฏิบัติไม่ได้ผูกขาดไว้ที่รูปแบบหรือว่าคนต้องเป็นพระหรือว่าเป็นคราวว่าหรือวเป็นอะไรอย่างวันก่อนก็มีมีคนเขาทศถามมาในรายการบรรจันณบอกว่าทําไมจึงเรียกชาวนาเป็นพระอาหารหันต์เป็นการสมควรไหมเราก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ติงไปบอกว่าไม่เป็นการสมควร้วต่อมาเมื่อคืน วันจันทร์ที่ถไล่วันจันทร์ที่ยนีะ่สบเอ็ดนะฮะสิงหาคมก็มีคนมาถามคือแกร์แคร์กระทัดจับประเด็นไม่ได้คือต้องเข้าใจว่าแกถามว่าเป็นไงชาวนาเนี่ใช้ไม่ได้หรือบ่มคนละประเด็นและโยงคือชาวนาเนี่ยสามารถปฏิบัติเป็นพระหันได้แต่พระอระหันนี่เป็นชาวนานไม่ได้ สมมติว่าชาณาบรรลุมรรคผลเป็นพระหรันท่านก็ น, นิพพานวันนั้นหรือบวชในวันนั้นพระหันจะไม่เป็นค่าวว่าตา น, นั้นเองไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าเวลาเนี้ยเราเอาคำเนี้ยไปใช้พระเพื่อมากเกินไปเราก็ น, นึกไปออกนะว่าทำไมจิตใจของคนมั น, น, นตกตงลงไปเะยอะ ให้ความเหมาะความควรเรื่องขนาดพระอาราหันนี่เอาไปพูดเล่นกันเฉยน่าเฉยต่อเฉ ย, ยไปเรียกชาวนาเป็นอาราหันชาวนาไปเรียกกรรมการเนี่ยกกต อ, อะไรละ่ะสารรัฐม น, น, นูลเรียกอาราหันดังนั้นนะนะฮะอาราหันเท่านั้นเท่านี้เท่า น, น, นู้นในเรียกซึ่งบางคนจะสํานึกบ้า ง, งนะ แต่ว่าทําไมเขาไม่สมนึกเราก็าไม่เข้าใจเหมือนกันเราเห็นว่าเขาจะกระทําย่ายีต่อพระพุทธศาสนาชาวพุทธเนี่ยฮะกระทาย่ายีต่อพระพุทธศาสนาแต่เราก็ก็ดีอย่างเนะไม่ไม่สร้างความร้าวฉานคือไม่ไปกระทําย่ายีต่อศาสนาอิสลามถ้าไปแต่ต้องศาสนาอิสลามาคงจะยุ่งกันมากกว่าสามจังหวัดอ่ะ แต่ความสำนึกตรงนี้ทำทำยังไงจะเกิดได้มันก็มีปัญหาว่าคนเหล่านี้เขาไม่ฟังรายการธรรมะเราก็ไม่สามารถติดต่ออะไรกับเขาได้และรายการบางรายการเนี่ยมันก็ไปถามชี้นำเพื่อสร้างความแตกแยก มันก็ไม่ใช่วิธีการที่จะเอาพระเข้าไปร่วมกิจกรรมในลักษณะนั้นแต่ข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือความเป็นกลางนะฮะความเป็นกลางที่จริงเนี่ยมันคล้ายๆจะมีได้นะฮะแต่ว่าทํากลางคนมีรู้สึกขัดแย้งกันเนี่ยมีไม่ได้ละเพราะว่าคนจะจับหลักกฎเกณฑ์ต่างๆเราพูดถึงกฎหมายเราก็อ้างกฎหมายพูดวินยัยเราก็อ้างวินยัยพูดธรรมะก็อ้างธรรมะเนี่ย แล้วก็ไม่ถูกใจคนเขาก็หาว่าไม่เป็นกลางจะได้เพราะนั้นคำว่าเป็นกลางก็คือมีมาตรวัดได้มีกฎมีเกณฑ์ในการวัดความร้อนเราก็วัดด้วยมิเตอร์ความร้อนความเย็นเราก็วัดด้วยมิเตอร์กว้างสั้นยาวเราก็วัดด้วยไม้เม็ดไม้ฟุตไม้บรรทัดก็ถือว่าถูกต้องแต่ใครจะว่าเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางมาก็ อ, อีกเรื่องนึ่ง ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการปฏิบัติแนวนี้ของของท่านก็มาพรมกติการะเทพบุตรเนี่ยท่านบอกว่าไม่เกี่ยวด้วยอามิตรคือกามคุณเอาจิงนะคือแสดงว่าจิตใจท่านจะไม่เกี่ยวเกาะด้วยเรื่อง ยื่อทั้งหลายพวกเง่เหยืออรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภ ธ, ธรมรมารมเนี่ยในลักษณะที่ปลนปลื้อไปในทางทางเสพกามกรเราเห็นว่าการเสพกามที่จริงมันทั้งรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นะทั้งตาหูจมูกทิ้งกายแต่ว่าเราตั้งใจนะมันต้องมีเรียกว่าสังกัปราโครบริสัทสกามโมความดำริเนี่ยเป็นกามของคน ผลจิตใจของท่านจะไม่ใส่ใจสนใจไปขนาดนั้นแต่ก็ต้องทรมาหากินเลี้ยงดูมารดาบิดาแล้วก็บอกว่าคนทั้งเจ็ดเนี่ยพระคามีทั้งเจ็ดชาตินั้นก็เป็นเพื่อนกันชาตินั้นแล้วก็พระพุทธเจ้าก็รู้จักกระท่านเหล่านั้น พอดีก็พรมซึ่งมาจากแคนสุตถาวาต์ก็มาด้วยเพราะว่าจริงๆเขาก็อยู่สุตถาวาต์ด้วยกันนะก็มามาด้วยกันมาถึงก็ได้กล่าวรับรองว่ารุกรพระคะในการนั้นตัวท่านได้เป็นอย่างที่ท่านกล่าวคือท่านเป็นช่างหม้อตั้งโรงทำหม้อเลี้ยงมารดาบิดาอยู่ที่เมืองเวพระลิงคะ ท่านเป็นอุบาสกของพระกัสสปุทธเจา้าเป็นผู้เว้นเมตุนธรรมเป็นพรหมจรีไม่เกี่ยวเลยอมิตร์คือการมคุณท่านเป็นคนร่วมบ้านกับขาา้าพเจ้าเป็นสหายกันมาแต่ครั้งเกาะโน้นจริงๆตรงนี้มันบอกอะไรฮะบอกกรรมบอกสังสารวัตบอกถึงบารมีธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกระทาขึ้นในภพชาติหนึ่งเนี่ยมันตามนุษย์มา คือถ้าเราพยายามมองนะคือเรื่องแต่ละเรื่องนี่มันไม่ใช่บอกเรื่องเดียวแต่บอกลหลายๆเรื่องเพียงแต่ว่าเอามาพูดหมดไม่ได้เพลินก็จะพูดโดยโดยปริยายหนึ่งโดยในย่าหนึ่งถ้าฟังลองสังเกตสมมุติว่าเราพูดถึงว่าจิตเรามีสมาธิเนี่ยถามว่ามีสมาธิอย่างเดียวหรือเปล่ามันก็เปล่า จิตมีอธิษฐานจิตมีอุเบกขาจิตมีศรัทธาจิตมีความเพียรจิตมีสติจิตมีปัญญาจิตมีสัจจะมีอะไรอยู่เยอะนะฮะลองดูลองดูที่จิตเราจะเห็นว่าธรรมะอีกอื่นอีกเยอะที่ตัวอุปถัมภ์คำจุลจิตนะั่อยู่ในสมาธิได้เนะี่ยแต่เราก็พูดเฉพาะสมาธิ มนันก็ทํานองใกล้ๆก็เขียนประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยในรัชสมัยพระมหากษัตริย์ทรงพระนามอย่างงั้นอย่างนั้นมีเหตุการณ์อย่างงั้นเกิดขึ้นอะไรแต่อะไรแต่คือคนที่เกี่ยวข้องเยอะที่ไม่ได้เอ่ยถึงถึงเนี่ยเพราะมาพูดก็พูดไม่ไหวมันก็เป็นวิธีการในการนําเสนอดังการที่ท่านท่านท่านเว้นเมถุนธรรมแล้วก็ประพฤติเป็นพรหมจรรยประกอบอาชีพ เป็นช่างมอญก็แสดงว่าเป็นการประกอบสมาชีเพราะว่ายังไงปัจจัยสี่เนี่ยมนุษย์มันก็ต้องมีะนะฮะจะไม่มีปัจจัยสี่เลยไม่ได้ติดต่างว่าสมมติว่าคนยากจนแล้วเกิดบรรลุเป็นพระอนาคา ม, มีบุคคลขึ้นมาแกก็ยากจนอยู่แก่ก็ต้องทมาหากินแต่ไม่ได้ทําด้วยความโลภ แต่ว่าทางคล้ๆกองน้ำมันไปหยอดเครื่องให้เครื่องมันเดินได้ดังนั้นท่านจึงบอกว่าไม่ไม่ไม่ตกเป็นทาตขกองอมิตรทั้งหลายแล้วท่านก็มาสรุปว่าเป็นสำรวนของก็คงจะเป็นภาษาคียติกาจา์นะเขาบอกว่า นีเป็นสังคมแห่งสายเก่าผู้ซึ่งมีมีตนได้อบรมสำเร็จแล้วทรงร่างสุดท้ายด้วยกันทั้งสองฝ่ายได้มีแล้วโดวยประการชนี้คือหมายความว่าร่างกายเนี่ยร่างร่างร่างที่ท่านทรงอยู่ในขณะนั้นนะ่ยที่จริงมันจิตใจนะ่บนรรลุมพระผลเป็นพระเป็นพระหานไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ผ่าน ก็แสดงว่าทรงร่างสุดท้ายอยู่แล้วก็ตรงกระหลักซึ่งเรงเราเราเราเจอบ่อยๆนะว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิตที่ควรทาได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีคืนนี้ก็มีประเด็นที่น่าทําความเข้าใจอย่างหนึ่งคือพระนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีก คือเมื่อท่านอุบัติบังเกิดในสุทธาวาสชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะนิพพานในชั้นนั้นหรือบางท่านก็อาจจะเลื่อนอาจจะเลื่อนชั้นแต่ก็เลื่อนไปสสู่จึงถึงชั้นอนิตภพก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ได้จึงก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพระมันนานอยู่นานเพราะเป็นอนรค า, ามียนานมากๆนะฮะ อยู่ในพรหมโลกพระพุทธเจ้าผ่านมากี่พระองค์เก็ยังอยู่ในพรหมโลกอยู่ทีนี้ประเด็นที่อย่างที่บอกว่ามังก้อนข้างยากอาวิหารเนี่ยแปลว่ามีสัตทินีแก่กล้าเกิดแล้วไม่เคลื่อนไหวไปที่ไหนมีความสุขอยู่ในฌานไม่เปลี่ยนที่ไปไหนแม้เวลาเพียงเล็กน้อย ก็หมายความว่าในส่วนในส่วนตัวข้าท่านเนี่ยก็จะดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นนั้นตลอดไปอตปลาแปลว่าท่านเหล่านี้มีวิริยะอิวิริยนีในแก่กล้าแปลว่าเป็นผู้ไม่เดือดร้อนไม่ว่าจะเพราะปัจจัยอะไรก็ตามเพราะว่า นึกดูว่ากิเลตกิเลสของท่านเนี่ยคือคนเราถ้าไม่มีราคะไม่มีโทสะมันไม่เดือดร้อนน่ะที่เราเดือดร้อนมากเนี่ยเพราะเรามีราพะมีโลภะมีโทสะก็แสดงว่าเราก็ยังมีโมหะความเดือดร้อนเป็นผลสืบเนื่องมาจากภายในใจเรามีกิเลสเรารู้สึกความเป็นเราความเป็นตัวตนของเราหรือว่าเราเป็นนั้นเป็นนี้เข้าไปจับในจุดใด ก็จะรู้สึกว่าตัวเองเดือดร้อนกับเรื่องเหล่านั้นมันก็ทำนองคล้ายๆกับคนไปต่างประเทศแล้วแล้วกลับมาแสดงความชื่นชมต่อประเทศเหล่านั้นเพราะเราไม่มีตันหาวปาทานในประเทศเหล่านั้นมีสิ่งอะไรบกพร่องผิดพลาดอะไรๆมาเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเราจึงไม่รู้สึกว่าต้องเดือดร้อน แต่ในบ้านในเมืองเราอย่างที่เนี้ยอย่างที่มีการทำโพลสรารวจกันว่าความสุขทางในใจของคนเนี่ยมันพิ่มขึ้นหรือลดลงบอกว่าความสุขมันลดลงรู้สึกวิตกกังวลกับกนนกเหตุการณ์สามจังหวัดภาคใต้กับความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็ไม่รู้ใครจะพูดกับคนเหล่านี้ได้แล้ว อย่านึกว่าพระราชาจะดำรัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนั้นเนี่ยมันชัดเจนไม่รู้จะว่า ย, ยัางไงแล้วพระหลักการอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรสารานียธรรมเนี่ยคือหลักการอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรตอนสุดท้ายของแต่ละข้อเนี่ยที่จริงก็มีหกข้อแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรุปรวมหนึ่งสองสามไว้ในข้อเดียวกันต้งใช้คำว่าปิยกรลนา คือกระทาความรักให้บังเกิดขึ้นครุกเกลนาสร้างความเคารพกันให้บังเกิดขึ้นสังกายะก่อให้เกิดการทรงเคราะห์การวิบารดายะการไม่วิวาทกันสาม ก, กิยาเกิดเป็นความสมานสามัคคีกันเอกีภาวะยะคือเกิดเป็นเอกภาพมันน่าจะเกิดอะแต่ว่าทำไมคือคนไทยเปลี่ยนไปจน จนไม่เข้าใจอ่ะคือประเด็นที่เราต้องหนักมากๆนะ่ว่าท่านเวเนียท่านนายกกำลังสวมหัวโขนเป็นผู้นำของชาติอยู่ยังไงเราต้องให้เกียรติมันข่าวออกไปต่างประเทศมันรวนหมดเลยนะฮะเมื่อผู้นำไปที่ดูหมินเกียดชังของชาวบ้านแล้วก็ สื่อสารบูนชรู้สึกจะชอบนะจะชอบเสนอภาพในลักษณะนั้นวิภาควิจาร์ใส่อารมณ์ไปมันเลยความสมมุติาส์มันน้อยไปยังย่อนอยู่มากเราก็มาต่อไปก็สุทัศสมีสมาธิแก่กล้ามีรูปสวยงามอย่างยิ่งมาดูทำให้ผู้อื่นเห็นแล้วสบายใจสบายตาสุทัศสี มีสติมีสีแก่กล้ามีความสามารถพิเศษอาเห็นสิ่งต่างๆได้ง่ายเพราะตนมีทัศนะอันบริสุทธิ์ไม่มองมัวปราศจากถ้าปรารถนาจะดูอะไรก็ไม่ติดขัดเผี่อต้องการจะเห็นก็ก็ที่ประจักษ์สุขเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าสมาธิท่านสมบูรณ์แล้วข้อต่อไปก็คืออาการนิสฐา มีปัญญีสีแก่กล้าไม่เป็นลูกน้องใครแต่ละองค์ล้วนยิ่งใหญ่มีความสมบูรณ์เสมอกันไม่ว่าจะอุบัติก่อนหรือหลังนี่ก็คือโลกของพระอาคามีเป็นเป็นพรหมชันะ้นสุทธาวาตก็ในสกาตวัต ก, ก็อยู่ในพรหมสังยุต ทีนี้ท่านท่านเหล่านี้จะพูดถึงการนิพพานของท่านนะฮะประเภทแรกเลยนิพพานในกึ่งแรกแห่งอายุการที่อุบัติในภูมินั้นประเภทหนึ่งก็นิพพานหลังเลยกึ่งกลางของยุ ป, ปัยบางพวกก็ต้องใช้ความเพียรพยายามมากบางพวกก็ใช้ความความเพียรพยายามไม่มากแต่วพวกหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าอุทังโศตนิตะกามี มีกระแสเบื้องบนจะเลื่อนพบภูมิขึ้นไปสู่อ น, นิทจภพเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องยากแต่ว่ากิเลสเหล่านี้เราก็มีอยู่ทุกคนท่านไม่มีมากความ่าเราก็มีอยู่ทุกคนก็ททำยังไงจะลดลงไปได้ ลดความเห็นเป็นเหตุถือตัวลงถือตนลงไปลดความเครือข่างสงสัยลงไปลดอาการยึดมั่นในศีลวัดลงไปลดการมราคะลงไปนะลดปฏิฆะหรือความมุ่งมั่ลงไปก็ทําให้ใจิตใจมีความโปร่งเบามีความสบายเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นก็เป็นการเดินตามรอยพระอริยะไปก็ไกลชิดได้เท่าไหร่ก็จะเป็นการดี ต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปรทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอการมไพบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี